วันนี้เป็นวันที่24มกราคมพุทธศักราช2554ในวัดของเรามีพระมากเท่าไหร่20รูปมาฉัน16ขาด4เดี๋ยวนี้มีพระวัดเราอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด4 4รูปไปเพื่อทัศนศึกษาองค์ไหนที่ไปแล้วก็ได้เรียนรู้องค์ไหนที่ยังไม่ไปก็อยากจะไปเรียนรู้ขณะที่องค์หลวงตาป่วย แต่ก่อนหน้านี้ถ้าไปนะก็ตรงในอยู่ในกฎระเบียบถ้าว่าไม่มีพระผู้นำไปมันก็เข้าไปลาบากพกุติเสนาสะนะมันแน่นไปหมดเมื่อวานวันก่อนฟ้าหญิงเสด็จก็ามากราบเยี่ยมองคหลวงตาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ก็ตรงวันที่22 ว่าหญิงเสด็จตอนแปดนาฬิกาเสด็จมาก็เข้าไปกราบเยี่ยมองคหลวงตาไปขอองค์หลวงตาขอถวายยาปฏิชีวนะเพราะปอดของหลวงตาเนี่ยอักเสบแล้วก็ขอถวายเลือดเลือดนี่คือเลือดของพระในวัดป่าบ้านตาดน่ะ พระลูกหลานคนไหนที่เป็นกุบโอก็เลยเอานั่นนะถวายจะถวายสองถุงแต่เมื่อวา น, ว, นวันก่อนน่ถวายไปถุงหนึ่งพอดูตัวองค์องค์หลวงตานี่เสียดแผลกระลงมติกันสมควรอย่างยิ่งที่จะถวายเลือดองค์หลวงตาพระก็ได้ถวายถวายกันเมื่อวานคิดว่าจะถวายอีก หลวงพ่อเห็นอาการของลุงตาถวายาปฏิชิวนะถามหมอก็ระวบาดดีขึ้นหลวงพ่อลวงตาดีขึ้นแน่แล้วก็จะถวายเลือดเนี่ยลุงตาคงมีเรียลคงมีเรียลแรงขึ้นแต่เดี๋ยวนี้วันนี้อาการของลุงตาคงจะเกี่ยวกับได้ยาปฏิชิวนะใหม่คงจะซึมซึม บ้างเพราะท่านยาตอนนี้ก็มันก็แรงพอสมควรที่จะต่อสู้กับปฏิชีวนะกับระงับโรคอักแก้อักเสบหลวงพ่อก็ไปสืบสอบเพราะเดี๋ยวนี้มีทั้งหมอสิริราชอาจารย์หมอสิริราชที่เคยมาอยู่วัดเราเนะเคยมาจากรักษาศิแลแต่ก็ประจำ อยู่ที่นั่นเปลี่ยนพัดเวรเปลี่ยนกันทั้งหมอศิริราชทั้งหมอศรีนครินทั้งหมออุดรสุนุตอร์ปลว่านายแพทย์สามนายแพทย์สามโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็พยาบาลอีกเฝ้าเรื่องแพทย์เรื่องหมอไม่ขาดตกปกพร่องจะเรียกเวลาไหนได้ ทุกเวลำเวลาสมกับองคหลวงตาท่านช่วยสงเคราะห์โรงพยาบาลนานต่อนานมากต่อมากผู้คนหมอทั้งหลายคณะแพทย์ทั้งหลายมาด้วยศรัทธาจะรักษาองคหลวงตายังไงเพ้อเพลยังองค์หนึ่งเอาคนหนึ่งเอาอย่างหนึ่งคล้ายๆก็ต้องการดีด้วยกันทุกคนบางทีก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อน ก่อนที่จะถวายยาองค์หลวงตาแต่บางครั้งก็พรยจุที่นั่นก็อันก็ว่าท่านเป็นผู้ชํานาญเคยรักษาองค์ตามาตลอดยาตัวไหนเป็นยาตัวไหนสับปะยะยาตัวไหนไม่สับปะยะก็ต้องมาทำความเข้าใจกันอีกว่าการรักษาองค์หลวงตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าจะว่าไปเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องถ้าจะว่ายุ่งยากกับลักษณะยุ่งยากพอสมควรเพราะลูกศิษย์ลูกหาองคหลงตามีมากหลากหลายใครใก็เจตนาดีด้วยกันทางนั้นแต่ว่าเจตนาดีบางคนอาจจะผิดไปก็ได้อาจจะผิดแปลกแตกต่างไปก็ได้าบางทีเจตนาดียาที่ถวายนั้นไม่ดีตามเจตนาก็ได้ มันหลายได้เหลือเกินแต่หลวงพ่อเองไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์จีนไม่ใช่แพทย์ไทยไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันหลวงพ่อเป็นผู้ฟังฟังแล้วก็งงเหมือนกันไม่รู้จะเข้าทางไหนแต่หลวงพ่อพูดเป็นกลางๆเท่านั้นเองเราบอกว่าถ้าให้ผมคิดนะแต่จะให้ผมคิดทุกคนทุกคนเชื่อผมก็คงไม่ได้อีก เพราะหลายๆใจหลายๆจิตหลายนาน า, นานจิตตังถ้าให้ผมคิดเนี่ยหลวงตาฟ้าหญิงเจ้าฟ้าจุราพรท่านก็นับถือเขารบหลวงตาเหมือนท่านพ่อท่านพ่อเพราะนั้นเรามอบให้เจ้าฟ้าหญิงซะพวกเราท่านทัง้งหลายเพราะเจ้าฟ้าหญิงท่านก็เป็นผู้ ชำนาญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์การอะไรการวิเคราะห์เรื่องโรคต่างๆอยู่แล้วถ้าพวกเรามหมให้ท่านจ้ให้ท่านเป็นผู้ประสานกับแพทย์กับหมอแต่พวกเราก็อยู่ในหน้างานว่ามองดูลงตาเป็นยังไงแต่ละวันถ้าลงตาอาการเป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างนี้เราก็รายงานเข้าไปคณะแพทย์กุ่มที่ฟ้าหญิงดูแลอยู่ ก็จะได้ทูลฟ้าหญิงฟ้าหญิงก็จะได้หาประสานแพทย์หมอที่มีฝีมือในเมืองไทยหรือที่ไหนที่มีฝีมือจะรักษาองค์หลวงตาได้ก็จะได้เอานามาช่วยกันมารักษาพวกเราก็จะได้สบายใจทุกหมู่ทุกเหล่าอันนี้หลวงพ่อพูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นความคิดเห็น ของหลวงพอ่อจะให้ทุกคนเห็นด้วยพวกท่านทั้งหลายก็คิดดูกันแล้วกันว่ามีเหตุผลมากนะ้อยอย่างไงแค่ไหนแต่คนทั้งหลายบางคนเขาก็เห็นด้วยหลวงพอ่อเหมือนกันนะก็ว่าทุกคนมันก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะละบางคนบางกลุ่มก็ว่าเออหลวงตาเทศธรรมเทศนาหลวงตาพวกเราฟังดูแล้วไม่ให้ใช้ฉายพลุงพัง ทำไหมพวกเราจรึงยื้หลวงตาให้อยู่เห็นแก่ตัวเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อก็ได้พูดเมื่อวานเลยตามไม่จริงไม่ใช่ถ้าผูกพวกผูก้ที่อยู่ในนอกนอกงานไม่ได้อยู่ในการสถานที่การสถานที่บุคคลอยู่ไกลพูดอะไรก็พูดได้ ที่หลวงตาพูดนั้นเป็นอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยการสถานที่บุคคลขณะนี้เดี๋ยวนี้ต่อหน้าเนี่ยเป็นยังไงถ้าว่าอย่างพ่อเราไม่ต้องพูดถึงหลวงตาละถ้าพูดหลวงตาเนี่ยสูงเกินไปถ้าพูดพ่อแม่ของเราเนี่หละเข้าโรงพยาบาลทั้งที่มีเครื่องช่วยหายใจมีเครื่องอํานวยความสะดวกไม่เกินไปไม่ถึงกระเจาะ คอเจ่ออะไรเนี่ยเปลียนแต่ช่วยหายใจถ้าพ่อแม่ของเราหายใจไม่ออกอย่างเนี้ยอต่อหน้าต่อตาของเรา เ, เราจะปล่อยให้ท่านหายใจไม่ออกอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมทนทุกทรมานอยู่อย่างนั้นใช่ไหมถ้าเป็นหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่ออินกระโดดใส่เครื่องออกซิเจนมาช่วยรีบช่วยหายใจทันทีเลยเร็วเท่าไหร่ยิ่ง ยิ่งดีในใจของหลวงพอ่อแต่ใจของผู้อื่นนั้นอาจจะนั่งดูความหายใจของพ่อแม่หายใจมาอิ่มหายใจไม่พอคนหายใจไม่พอไปยังไงสืบหายใจ ข, ขมัขบขมวยขมับขม่วยอย่างนั้นพวกเรากคงจะเคยเห็นเอาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อนะ่ ไม่แหละถึงพ่อแม่จะสั่งยังไงไว้ก่อนเราในฐานะลูกจงแต่แก้ปัญหาเฉพาะนาเห็นเฉพาะนาไว้ก่อนทำยังไงทำให้ดีที่สุด อ, อันนี้คือถ้าเป็นหลวงพ่อนะแต่เป็นท่านอื่นคนอื่นผู้ที่หนักแน่นในกฎระเบียบหรืออนุรักษ์นิยมอาจจะคิดไปในแนวอื่น อั น, นี้คือนาน า, นาจิตตังนานาทัศนะความคิดเห็นนจะให้เสมอภาคกันเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแหละหลวงพ่อเข้าไปอยู่ที่หน้างานอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อก็ได้แสดงความคิดเห็นหลายๆเรื่องเหมือนกันพูดทางนี้แต่นั้นหลวงพ่อพูดออกทางวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะคล้ายๆว่าความเห็น ความเห็นของหลวงพ่อนะนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณต่อพวกเราท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าธรรมเทศนาไม่รู้ว่าการแนะนาสั่งสอนแต่เราไมได้ห่วงทางจิตใจของท่านความจิตใจและความหลุดพ้นของท่านนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ร่างกายสังขารของท่าน พวกเราจะต้องช่วยกันดูดแลรักษาอย่างที่พวกเราถวายข้าวน้ําโภชนาอาหารถวายอาหารอย่างนี้นถวายายาอย่างนีน้เราไม่ได้ถวายใจของท่านถวายร่างกายของท่านให้อยู่ได้ให้ท่านได้ดารงสงทาาขันอยู่แบบผาสุกสบายท่านเป็นไปด้วยปัจจัยสี่ข้าวน้ําโภชนาอาหารยาแก้โรคภัยไข้เจ็บ ผ้านนุ่งห่มที่อยู่อาศัยจะทำยังไงจึงจะให้ผาสุกสำหรับร่างกายของท่านต่อส่วนจิตใจความบริสุทธิ์หลุดพ้นของท่านนั้น เ, เราเทิดทูนบูชาเป็นของท่านเองเออคำว่าพระหันก็ดีคำว่าพระพุทธเจ้าก็ดีคำว่าพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาคาก็ดีอะไรคือ โซดาอันไหนคือพระสกทาคาอันไหนคือพระอนาคาอันไหนคือพระรหันต์อันไหนที่ตัดรูปพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้านคืออะไรอันนั้นคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นคือความรู้แจ้งเห็นจริงในพระทัยของพระองค์แต่ส่วนร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่อาศัยพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องอาศัยของพระอระหันต์พระอระหันต์ที่แท้จริงนั่นคืออะไรคือตัวที่ท่านได้ตัดสรุ้คือนามธรรมที่เรามองไม่เห็นปุตตุชนทั้งหลายมองไม่เห็นขนาดมองใจตัวเองก็ยังมองไม่เห็นแล้วจะไปมองเห็นใจของพระอริยเจ้าได้อย่างไรปุตตุชนมีแต่คาดคาดเ ด, ดาๆไปอย่างนั้นสุมๆเดาๆไปเรื่อยคาดคะเนไปเรื่อยบางทีก็คาดผิดบางทีก็คาดถูก โดยมากมันผิดซะมากกว่าะเพราะปุตชชนมันเข้าข้างตัวเองคาดไปเท่าไรมันก็เข้าข้างตัวเองอยู่อย่างงั้นแหละเพราะเหมือนกับเต่ามันอยู่เหมือนกับปลามันอยู่ในน้ําอย่างนั้นะนถึงจะเต่าอธิบายให้ฟังว่าบดบกมันมีภูเขานะมันมีถ้านะมันมีต้นไม้ใหญ่นะเต่ามันอยู่ในทะเลอปลามันอยู่ในทะเลมันไม่เคยขึ้นบกไงมันก็จะ เปรียบเทีาายบว่าเนี่ยแหละต้นไม้ภูเขาเนี่เหมือนกับอออะไรที่มันงอกอยู่ในทะเลพื้นทะเลนะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเหมือนก้อนหินอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ถามอยู่ในน้ําอยู่อย่างงั้นนะ่ะอสาหรายทะเลอย่างงั้นใช่ไหมที่เป็นปานะ่าดงไม่ใช่มันใหญ่กว่านั้นเต่าก็บอกนะพอเพราะอะไรพรอะไรเพราะเต่ามันเห็น แต่ปลามันไม่เห็นนี่ก็เหมือนกันว่าปุตชนมันอยู่แต่ในน้ามันไม่ได้ขึ้นมาบนบกแต่เต่ามันขึ้นไปบนบกอันนี้คือพระหรันเนี่ยท่านเหมือนกับเต่าท่านมองเห็นได้ทุกอย่างลงน้ำแต่กร็รู้ได้ปากกาลางังไปอย่างน้นปากกาลังเปอย่างนี้เป็นช่ออย่างนั้นอย่างนี้พวกปลาทั้งหลายก็ถามเลย ต้นไม้เหมือนปากาลังนี่ใช่ไหมไม่ใช่มันใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นอะไร เ, เพียงเม็ดเดียวเองอย่างยาวนั่นเป็นร้อยเม็ดปลาพวกมันไม่เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ในถ้ำแล้วเป็นยังไงเป็นภูเขามันสูงสูงอย่างนี้ใช่ไหมภูเขาในทะเลคงจะมีอยู่บ้างแต่มันก็ไม่สู ง, งนั่นนะมันอยู่ในทะเลเมันก็เป็นชั้นเป็นอันนั้นของมัน แต่ถึงยังไงมันเปรียบเทียบมันก็ได้ช่วงหน่อยเดียวท่านเองอันนี้คือพระรหันต์กับปุตุชนเป็นอย่างไงเพราะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายความรู้ของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย ก, บกับความรู้ของผู้มีกิเลสนั่นน่ะมันแตกต่างกันอันนั้นคือส่วนจิตใจส่วนส่วนร่างกายเนี่ย ท่านก็มีตามีหูมีจมูกมีแข้งมีขามีตีนมือมือมีเจ็บมีปวดมีเวทนาเหมือนกันเหมือนกันกับปุถุชนไม่แพ้กันแต่ที่เป็นพระอราหันต์นั่นคือใจของท่านความริสุสุดหลุดพ้นอันนั้นเราไม่ได้รักษาเราไม่ได้ช่วยท่านรักษาเลยอันนั้นแต่เรารักษาร่างกายของท่านจะทำยังไงท่านให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าว่าท่านจะอยู่โปรดพวกเราอยู่แต่ถ้าว่าท่านบอกว่าเออพอแล้วท่านก็จะทิ้งเองเป็นหน้าที่ของท่านแต่บางท่านท่านก็บางทีท่านก็ใช้กรัมของท่านอีกเหมือนกันกลัมคือการกระทําของท่านในอดีตชาติท่านจะจําเป็นจะต้องใช้ผลของกลัมก่อนจนกว่าที่ท่านจะหมดกลัมท่านก็จึงจะ เข้าจุตินิรภัยทิ้งภาชนะดินรับภาชนะทองคํามันเปรียบกันไม่ได้ภาชนะดินก็คือโลกทั้งหลายทั้งปวงการเป็นอยู่ของโลกทั้งหลายเหมือนภาชนะดินภาชนะทองคําก็คือความบริสุทธิ์หลุดพ้นใสบริสุทธิ์มีคุณค่าเพียบเทียบกันไม่ได้ดินกับทองคำํำนี่แหละ อันนี้ก็คือท่านผู้บริสุทธิ์แล้วพระหันเราไม่ได้ช่วยท่านทางด้านจิตใจเรามีแต่ดูแลสุขภาพของท่านการดูแลสุขภาพของท่านสําหรับปุตุชนทั้งหลายก็เป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลถ้าเราทำถูกต้องดูแลองค์ท่านโดยความถูกต้องดูแลองค์ท่านโดยความจงรักภักดี บุญกุศลที่พวกเราได้กระทำนั้นมันจะไหลท่วมทนมาหาพวกเรารับพรอ น, อนโมธนาให้พร